ตวติงสาการาปาธาอธิมาสมิงกาเยเกซาโลมานคาันตาตโจมังสังนหารูอธิอธิมิจังวักกังหทตยังยะกนังกิโลมะังปิหังปะพาสังอันตังอันตะุณังอุตริยังกะรีสังมตะเกมตะลุงคัง ปิตังเสมหังปุบโบโลหิตังเสโดเมโดอัสุวะสาเคโลสิงคานิกาลสิกามุตัง